ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมภรทวารชาวเรื่องคนรวยที่ทำลายตนและทำลายโลกโดยพ่อท่านสมณภูทิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2547 เ, เนื่องในงานมหาปวารณาครั้งที่23ณนะพุทธสถานปฐมประสูขขอเชิญท่านติตาร่ฟังได้นะบัดนี้ ทีนี้ก็มาถึงวาระของสโลดกประจาปีหนะลงแต่รวยก้าวหน้า ร, รวยแล้วก็ขีดก้าวหน้าหลงแต่รวยขีดก้าวหน้าหมายความว่าจะหลงแต่รวยแต่ก้าวหน้าอะไรเนี่ยหนะลงแต่รวยก้าวหน้าไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสนะ ไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้เอบอกไคลวาห <c oughs> ลงแต่รวย <c oughs> ก้าวหน้าไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้อบอกมู เอเราต้องบอกไปถึงบุชเราไม่บางอาจไปบอกท่านผู้ที่ไม่บางควรหรอกเราไปบอกท่านไม่ได้ท่านใหญ่ผู้ใหญ่เราไปบอกไม่ได้พลาดเราไม่ได้นผู้ใหญ่ต้องยกไว้นแล้วก็เป็นความหมายที่ยํายืนยั น, นเพราะทุกวันนี้นี่ทุนนิยมก็ดีโลกีก็ดีหลงในเรื่องของ ความรวยลงในเรื่องของการก้าวหน้าอะไรก็ไม่รู้ก้าวหน้าตาพืชแฟชั่นก็ก้าวหน้านะแฟชั่นนี่ก้าวหน้าถึงขนาดถ้าผู้หญิงไปเป็นนางแบบเนี่ยไม่ใจกล้าไม่ได้ขึ้นแคทวอล์กต้องใจกล้านะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องวบวัแวมแ อย่างดีต้องอลังชังนี่คือความก้าวหน้าฟังแล้วก็ห่อเหียวหัวใจคือไปส่งเสริมในสิ่งที่มันจัดจ้านในสิ่งที่มันดิบสิ่งที่มันยิ่งจะว่าดิบก็ดิบจะว่าเน่าก็เน่าทั้งดิบทั้งเน่าคือมันไม่ได้พอดีคือมันไม่ได้ถูกต้องมันมากไปแล้ว จัดจ้านไปแล้วไม่เข้าใจความฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยความรู้ราความใหญ่โตมากๆก้าวหน้าไปไ ม, ม่มีที่สิ้นที่สุดคนก็รวยขึ้นรวยขึ้นแต่ก่อนนี้ชาวไทยเรานี่ก็ตามคนที่จะรวยที่สุดเงินหมื่นล้านนี่มีทรัพย์สินหมื่นล้านนี่หายากคนไทยแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแสนล้า น, นข่าวนี่ก็ เขาตั้งผู้จัดการใหญ่กรุงไทยธนาคารกรุงไทยใหม่แล้วแต่เขาก็แจ้งผลประกาศออกมาด้วยว่ า, เ ง, เ, เ, า, เ, 4, เ, าเงินเดือนของเขาเดือนละล้านสี่แสนเงินเดือนของเอมดใหม่ของกรุงไทยอาตมารู้มาก่อนแล้วก็มัแปลกใจอยู่บ้างเหมือนกันเพราะไม่เคยรู้รู้มาก่อนจากข่าวนี่แหละจากหนังสือพิมพ์ น, นี่แหละหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขารายงานรัต ด, ดาก็ซุบซิบเขาบอกว่า เขาเห็นตัวเลขของอเงินเดือนของผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพไม่ชงกรุงไทยในะกรุงเทพธนรารการกรุงรงกรุงเทพช า, ช, าชาติสุริชาตชาตสศริอะไรโสพลพนิชเงินเดือนล้านห้าแสนนี่นก็เลยไม่ได้ข่าวเงินเดือน คนใหม่ของกรุงไทยเพราะเป็นอาตมาจําชื่อไม่ได้แล้วไม่ใช่วิโรจน์นนแขกเขาปลดไปเงินเดือนก็ล้านสี่เดี๋ยวนี้มันขนาดนั้นอะไรกันปานนั้นไม่รู้มันเนี่ยมันฟุ้งเฟือมันมากเกินคุณคิดดูนะคนที่มีรายได้เดือนละล้านสองล้านในประเทศไทยก็เคยสำรวจมาแล้วคนที่มีรายได้เดือนละสูงสุดสองล้านห้าแสน มีหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวในประเทศไทยมีหลายคนเขาเคยสำรวจแล้วมาประกาศกันอาตมาเคยดูข่าวนี้ได้ข้อมูลนี้มาเงินเดือนเดือนละสองล้าน5นั่นมากที่สุดนี่ก็รับรู้อันนี้ตอนนั้นคุณก น, นกอภิรดีจะเป็นผู้จัดการใหญ่ของการบินไทยเขาก็ต่อรองของเงินเดือน7 0 0 0แสนอาตมา ก, ก็ยังพูดแล้วหลายเที่ยวเทศก็นามาพูดก็ยังว่ามันมาก เงินเดือนต้อง7 000. แสนอันนี้เขาล้านกว่าเฉยสองล้านเฉยคนที่ได้รายได้ล้านก็ตามคนจนทุกวันนี้เนี่ยรายได้ศูนมีไหมมีคุณจะขึ้นไปล้านนึงคุณจะขึ้นไปห้าล้านในประเทศก็ยังมีคนรายได้ศูนย์อยู่นั่นเองเมื่อร้อยปีที่แล้วก็มีคนรายได้ศูนย์ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนรายได้ศูนย์และจำนวนไม่น้อยด้วยอย่าว่าจะศูนย์โดยทุกวันนี้นี่คนรายได้ศูนย์นี่ยังดีคนแต่ละเดือนติดหนี้เป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมีมหมยิ่งร้ายกว่าใช่ไหมยิ่งร้ายกว่า และคนที่เงินเดือนแต่ก่อนไม่ถึงล้านหรอกเดี๋ยวนี้ขึ้นล้านสองล้านสล้านอะไรขึ้นไปเงี้ยหรือแสนส0ง0 0นห้าแสนแปดแสนสิบแสนล้านไปถึงหลายล้านศูนย์ก็ศูนย์แล้วก็คนจะศูนย์อยู่นี่ยช่องว่างระหว่างศูนย์กับล้านมันจึงห่างขึ้นห่างขึ้นนางขึ้นและสังคมที่มีช่องว่างระหว่างรายได้นี่คือการพัฒนาสังคมหรือเปล่าเห็นไหมนี่คือคําตอบว่าไม่ใช่การพัฒนาสังคม หลงแต่รวยหลงแต่ได้มากหลงแต่ก้าวหน้าโดยไม่คิดถึงความจริงว่าคนศูนย์มีเขาต้องถูกกดดันอยู่ที่ศูนย์เขาไม่ได้อยากได้ศูนย์ขอทานก็ไม่อยากจนไปถามขอทานได้ทุกคนอยากจนไหมไม่มีขอทานที่ไหนก็ไม่อยากจนอยากรวยเหมือนกันกันกบเศรษฐีใหญ่ทุกคนอยากรวยกว่ากันด้วย เพราะเศรษฐีใหญ่นะ่ะมีบ้างแล้วรวยขึ้นมากแล้วแต่เขาก็ยังอยากรวยกว่า น, นั้นอยู่ดีแต่เขาก็ยังความอยากที่จะรวยขึ้นมาความอยากนั้นคงน้อยกว่าขอทานเพราะขอทานมันยังไม่รวยเลยมันอยากรวยอยากไม่มากเท่านั้นมันก็อยากรวยก่อนว่ า, ากว่าคนเศรษฐีไม่แน่เศรษฐีหลายคนอาจจะอยากรวยกว่าขอทานรวยแล้วก็ยังไม่พอ นี่คือกิเลสนี่คืออวิชชานี่คือสิ่งที่มันหลอกคนแล้วคนก็หลงติดอยู่อย่างนี้อัตมาชื่นใจภาคภูมิใจนี้ที่บอกพวกคุณแล้วก็สอนพวกคุณแนะนำพวกคุณเอาสัจจากของพระพุทธเจ้าที่สอนและเป็นความคิดที่จริงความเชื่อที่จริงเป็นทิฏฐิที่จริงความเห็นความเชื่อที่จริงว่าเราอย่าไปรวยเลยเรามาลดมละมา ส, สุดท้าย มารายได้ศูนย์มาศูนย์เถอะเราทำงานแต่ไม่ได้หยุดทำงานทำงานแต่ไม่ต้องรับรายได้เป็นของตัวเลยศูนและไม่สะสมด้วยไม่รับรายได้แล้วก็ไม่สะสมเป็นของตัวด้วยอาตมาภาคภูมิว่าวันนี้ความเห็นของโลกของโลกีของชาวมนุษยชาติทั้งโลก สะสมเป็นทุนนิยมสะสมเป็นโลกีกันทั้งนั้นใครสะสมได้เขาสะสมทุกคนถ้ามันทำได้เขาไม่มีหยุดนี่เป็นความเห็นของคนทั้งโลกแต่พวกเราเนี่ยมีความเห็นกลับทวนกระแสมาลดมาลดตั้งใจลดลดกิเลสของเราและกรทําให้สำเร็จจนกระทั่งมีคนสาเร็จสำเร็จ อัตอมาขอยืนยัเยนเส็นเสด็จใครที่ไม่ไม่รับรายได้เลยทุกวันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งปียกมือขึ้นสิไม่รับรายได้เลยผ่านมาแล้วหนึ่งปีใครบ้างแค่นี้เองเหรอไม่มีรายได้ไม่รับผ่านมาแล้วเลยไม่ว่าอย่างน้อยหนึ่งปีเอ อ, เอใส่ชานโซนผิดอย่างน้อยหนึ่งปียกมือขึ้นซิไม่รับรายได้มาตั้งอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วเออทาไมมันน้อยจังเลย คนต้องอยวจะเป็นพันมั้งเนี่ยฮะยกมือไม่ถึงรอยเลยส่วนใหญ่รับรายได้ก็บอกแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีไงอ๋องงงงคนที่มีชีวิตบะ ม, มีชีวิตไม่รับรายได้เลยมีชีวิตไม่รับรายได้แล้วนี่อยู่กันอย่างเรียกว่า ไม่รับรายได้ทํางานฟรีมาเลยหนึ่งปีขึ้นไปนะชัดๆเนี่ยใครที่ทํางานมาทุกวันเนี่ยเราทํางานมา1ปีแล้วเลยหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยไม่ได้รับรายได้มาตั้งอย่างน้อยหนึ่งปีก็พูดแล้วว่าอย่างน้อยหนึ่งปีเมื่อกี้ไม่รับรายได้มาอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วนี่บางคน2ปี3ปีบางคน10ปีแล้วไม่ได้รับรายได้เลยเนี่ยก็ทั้งนั้นแหละ อาตมาเอาแค่ต่าแค่ขั้นต่ำ ม, มาอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปไไม่ได้รับไรายได้มาเลยนี่มีใครบ้างเอายกใหม่ที่ใครบ้างโอ้ตอนนี้เพิบขึ้นมาบ้างนะว่าคนว่าเกิดตรงนั้นน่ะนะซึ่งเป็นเรื่องสาเร็จแลวพวกเราก็เข้าใจด้วยเราก็เต็มใจมีกิเลสเท่านั้นนะมันยังไม่ยอมบางคนนะมันอยากจะทำเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ยอมแต่เราก็อยากจะ มาเป็นคนทำงานฟรีเข้าใจแล้วไม่สงสัยและดำเนินชีวิตอยู่เป็นไงก็ดีก็สุขดีสุขดีกว่าด้วยคนที่มีเงินเนี่ยถามจริงๆเถอะนะเอาเงินใส่กระเป๋าคุณสักแสนหนึ่งแล้วก็ให้คุณใส่แสนหนึ่งไปแล้วก็ดูแลรักษาไปแล้วก็สื้อไปเถอะรักษาไปดีๆแสนหนึ่ง กับคุณไม่มีในกระเป๋าไม่มีแสนหนึ่งเลยอะไรสบายใจกว่ากัน <c oughs> แต่คนทั้งโลกเ็าบอกว่าโอ้โหไม่มีเงินในกระเป๋านี่มันไม่อุ่นใจนะออกไปไหนไม่มีตังในกระเป๋านี่โอ้โหมันไม่มั่นใจมันไม่อุ่นใจเลยนะออกไปนี่คนทั้งโลกเขาจะคิดอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมเขาจะไปอย่างนั้นแต่ก็พวกเราความคิดกลับละ มีคนก็หาว่าอาตมามาล้างสมองพวกคุณก็าหาว่านะบัดะทะหาที่ไหนจริงๆอะมาห า, าอาตมาล้างสมองพวกคุณไม่ไม่ได้มาหามันหาทําไมจริงๆอาตมาล้างจริงๆล้างสมองก็พวกคุณอะล้างเลยไอ้ขี้วก็ลกโลโทรไปที่ได้ถูกเขาครอบงําถูกเขาใส่อะไรเขาไว้ในสมองก็ไม่รู้อ่ะโปรแกรมมาไว้ Ờ, จะต้องไปล่ลาล่าปลาโยดจะต้องไปแย่งต้องไปชิงจะต้องเป ing, ็นโลคมากๆมากๆแล้วสะสมกอบโกยอ่าได้มามากๆแล้วไ ม, ม, ม, ม es, ่พอเอาไปซื้อหุ่นไว้เอาไปซื้ อ, อ, อ, อ, อตรงนั้นไว้เอาไปซื้อตรงนี้ไว้เดี๋ยวมันจะงอกขึ้นอีกเอาไปาลงทุนตรงนั้นไว้เอาไปตรงงนี้เลย ม, มงอกขึ้นอีกไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยเท่าไหรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอเฮ้ย ม, มันไม่เหนื่อ ย, อยงไงนี่คือโลกีเขาเป็นอยู่ อาตมานำมาพูดประเด็นนี้นี่พูดมากขึ้นซ้ํามากขึ้นพวกเขาก็พวกเราก็รู้แล้วละ่ะแต่ที่รู้แล้วอาตมาก็ขยายองค์ประกอบขยายสิ่งที่เกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องความเปรียบเทียบที่อธิบายเนี่ยพวกคุณฟังแล้วคุณก็จะเข้าใจมันไม่ได้พูดแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าไม่มีความเฉลียวฉลาดหรือไม่มีความเข้าใจหรือแม้แต่ฟังแล้วก็ ฟังแล้วเลไปเห็นได้ความไม่ได้ท่าอะไรไม่รู้สึกไม่ได้มีความกระตื้องอะไรจากการพัฒนาขึ้นมาอาตมาพูดแล้วเราจะพัฒนาเราจะรู้สึกว่าเออจริงเลยนะเราเอง ก, เก็ยังติดอยู่ตรงนั้นเราก็เข้าแย่ตรงนี้นี่มันจิ้มเข้าไปที่เราเนี่ยตรงนี้มันจิ้มเข้าไปกทํากั น, นพูดภาษาตรงนี้มันเสียก็ไป ร, รู้สึกอย่างนงั้นไหมอ่อาพูดไปตรงนี้เนี่ยมันเฉือนจิดของเราไปแล้วเนี่ยเราตรงนี้เรา ตรงนี้นอตาตมาพูดมีลีลา classroom. บอกว่าอย่างนี้ไม่ควร pro อย่าง ouais. นี้ควรใช่ไหมในวิธีพูดเนี่ยอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรแม้แต่กระแสเสียงแม้แต่น้ําเสียงแม้แต่ภาษาแม้แต่ลีลาให้เห็นว่าอย่างใดควรขมอย่างใดควรยกอย่างใดเป็นนิคันหัอย่างใดเป็นปักขะหัะอย่างใดเป็นนิคันเฮพระพุทธเจ้าท่านให้ขมให้กดสิ่งที่ควรกดควข่มควรตาหนิ อนใดที่ควรยกปักคันเหก็ปักขาหังนะก็ยกอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นล็กลักษณะลีลาที่อาตมาเทศอาตมากรบรรยายอย่างนี้อยูนะ่คนเรานี่เกิดมาแล้วก็ไม่เข้าใจโ ล, ไ ม, จโลไม่เข้าใจโลกอุตราแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนทั่วโลกเดี๋ยวนี้น W. ย u c บเุชจะเป็ น, นเขาจะเป็น ประธานาธิบดีนี่ก็เขาก็จะเป็นใหญ่ในโลกอเมริกาก็จะล่าพูดอย่างนี้นะม่เกรงใจบุชล่าล่าโลกกรรมำเขาจะไม่อยู่ในร่องรอยของโล ก, กุตระเลยล่าลาบจะกอบโกยเข้าไปให้แก่ประเทศอเมริกา หาวิธีทุกอย่างก็ทำอะไรแต่อะอยู่กับสังคมทั่วโลกทุกวันนี้ยิ่งเป็นยุคโกบลไล์เป็นยุ ค, ยคฟ้าบอกกันเป็นยุคที่ต่อเนื่องสืบติดต่อกันส่งข่าวคราวสื่อสารกันทั่วโลกได้เร็วไวเขาก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะดูดจะโลภจะเอาให้ได้ด้วยกลวิธีที่พวกคุณถูกเอาเปรียบอย่างไม่รู้สึกตัว ไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่แค่สิปีไม่ใช่แค่ชาติหนึ่งกี่ชาติก็ตามนิรันดรเราจะไม่รบกับใครฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่เราจะเป็นพุทธนี่แหละไม่รบกับทั้งฝ่ายไหนาศาสนาไหนเราก็ไม่รบชาติไหนเราก็ไม่รบด้วยช่วยเขาทั้งสิน้นช่วยทุกชาติช่วยทุกาศาสนาเกื้อกูลเขาและเราก็ไม่ได้เป็นผู้เบียดเบียนใครอยู่แล้ว อุดมคติของเราคือเป็นการไม่เบียดเบียนใครอหิงสาที่ไม่เบียดเบียนใครก็คือเราพึ่งตนเองได้เรามีความสามารถเรามีแรงงานมีความรู้เราก็สร้างสรรสร้างสิ่งที่มันตรงที่สุดที่จะให้ชีวิตเรารอดชีวิตเราอยู่ได้อาหารเป็นต้น ปัจจัยสี่เป็นต้นอาหารเครื่องนุ่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพึ่งตนให้รอดมีองค์ประกอบมีบริขารเครื่องใช้ประกอบบ้างมีจานมีช้อนทําเองได้ก็ดีมีอะไรก็แล้วแต่เครื่องอาศัยเครื่องใช้ที่เราสามารถจะผลิตได้ทำได้ก็ช่วยตัวเองอย่างที่เราทำนี่นะผลิตเป็นอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหากิจย่อยก็ตามทําพึ่งพึ่งตนเองทําเพื่อที่จะเอามากินมาใช้โดยไม่ต้องไปใช้เงินถ้าเราทําให้สําเร็จได้คือเราจะลดการใช้เงินหรือไม่เห็นเงินเป็นพระเจ้าไม่เห็นเงินเป็นเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ถึงขนาดคนแต่ละคนเนรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นอจริงเห็นจริ ง, งเลยว่าทุนนบัตตนี่ก็คือ เครื่องใช้ชนิดหนึ่งเท่านั้นคุณเห็นอะไรอย่างหนึ่งมันตกอยู่ข้างทางนะคุณเห็นอะไรอยู่อย่างนึงมันตกอยู่ข้างทางคุณก็ไม่เก็บนะคุณก็เดินผ่านเฉยทิ้งไว้ก่อนไว้บัลหลังเออเป็นของใช้ได้มีค่าอยู่พอสมควรและค่ามันมากกว่าธนบัตรใบละพันก็มี มากกว่นบัตรใบละ500รอยแน่นอนหลายอย่างทิ้งๆอ่คุณก็เดินเฉยคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเครื่องใช้คุณรู้แล้วคุณเห็นว่ามันตกอยู่ตรงนี้แล้คุณก็เฉยๆชั้นเดียวกันกับคุณเห็นแบงก์ใบละพันมันตกอยู่ตรงนั้นราคามันน้อยกว่าของบางอย่างที่มันตกอยู่ตรงนั้นด้วยคุณเห็นผ่านของที่มันตกอยู่ตรงนั้นราคามากกว่าพันคุณก็ผ่านเฉยต่อไปคุณจะมีความรู้สึกว่าเห็นแบงก์พันคุณก็ผ่านเฉยเหมือนกัน แต่ถามหน่อยสิขณะ น, นี้ถ้าคุณเห็นของนะราคาต่ำมากกว่าพันคุณก็ไปเดินผ่านเฉยคุณไม่รู้สึกอะไรแต่คุณไปเห็นแบงค์พันตกอยู่ตรงนั้นคุณเดินผ่านเฉยไหมความรู้สึกจะเฉยเหมือนกันไหมเห็นไหมนี่คือจิตของเราไปติดยึดมีอุปทานกับแบงค์พนนันมากกว่าของชใช่ไหม คุณไปเห็นค่ามันมากกว่าของทั้งๆที่ค่ามันน้อยกว่าของที่อาตมาสมมติแล้วอันนั้นมันแบงราคามากกว่าพันด้วยซ้ําแต่คุณผ่านมาแล้วคุณก็เฉยๆ ม, มันก็เป็นของใช้เออเมื่อถึงเวลาเราก็จะเอามันไปใช้ตามงานอันนั้นนี้นี่คุณก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นได้แต่ถ้าคุณผ่านผ่านแบงพันเออทิ้งไม่ได้รีบเก็บแบงพันต้องรีบเก็บเห็นว่ามันมีค่ามากกว่าไอ้ของนั้นราคามากกว่าพันด้วยซ้ําไปนี่คือความรู้สึกจริงๆของคน สมมุติไปติดยุดไปถือถือว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปเราจะสอนเราจะแนะนําเราจะฝึกปกืนจนกระทั่งเห็นว่าธนาบัตรก็คือเครื่องใช้เหมือนกับเครื่องใช้อันอื่นๆที่มันราคามากกว่พันรืมน้อยกว่พันก็ตามใจใจอยู่ในกาลของมันตามฐานะของมันธ น, น, นบัตรก็เป็นเครื่องใช้เหมือนของใช้อื่นๆอย่างที่อาตมาสมมุติให้ฟัง เพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจจริงๆขึ้นมาแล้วก็จะไม่ติดยึดไม่ลหลงไหลได้เพิงไม่จะไปแย่งธนบัตรอะไรต่อะไรกับเขาได้ในอนาคตทุกวันนี้อาตมาพยายามสอนแนะนำให้ฝึกปรือพวกเราเลดในการที่จะเปหลงเงินทองพวกเราก็มีจริงเกิดการหลงเงินทองน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะเข้าใจขึ้น ชีวิตอาศัยธนบัตรก็อาศัยเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่เราไม่ได้ไปถูกแล้วก็เราหมายความว่าเราจะปลอดพ้นเลยไม่มีเงินไม่มีธนบัตรมาใช้เลยมันไม่ได้หรอกยุคนี้แล้วมันต้องอย่างนี้ไปหมดแล้วเราไม่สามารถห้ามกันให้จะหยุดมีแต่มันจะมากขึ้นเพราะเราจะอยู่กับสังคมเขาต่อไปจนกว่าจะกกลียยุคโลกแตกไปเนี่ยหรือไม่จะโลกแตกกรือไม่ไฟไม่โลกหรือว่าสังคมมัน ก็ไฟประเลกันไหมมันเดือดร้อนมันวุ่นวายค่าแกงอะไรกันไปก็แล้วแต่มันไม่มีหยุดเรื่องนี้มันจะต้องไปขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะมาพยายามฝึกฝนเรียนรู้จนกระทั่งชีวิตของเรานี่ไม่บ้าดีเดือดไปกัชาวโลกเขาที่เขาเอาวิชชาปุถุชนเขาไม่รู้เรื่องเขาจะทุกข์กับมันหนักเข้าไปทุกทีทุกทีเขาก็เฮี้ยนกรู้ือย่างนั้นจริงๆจะต้อง รวยก็เพื่อนใหญ่ก็เพื่อนมีอำนาจก็กเพื่อนดูดได้มากกว่าเพื่อนอาตมาพูดผิดัหมทุกและเบียดเบียนสร้างเวรไม่จบวันนี้เทศหนักเทศกว้างเทศใหญ่ฟังให้ดีนะ นะเหมือนกันหมดประเทศอินเดียก็อยู่ในโลกกีแต่คนของประเทศอินเดียมีคนถามมาว่าประเทศอินเดียเหมือนกันไหมก็เหมือนกันหมดทุกประเทศในโลกนะแต่ประเทศอินเดียนะมีพลเมืองที่มักน้อยสันโดษหรือสงบแต่เขาก็ไม่ได้ล้างกิเลนแบบพุทธจริงมีาศาสนา ที่ไม่แย่งชิงมากน้อยอยู่จำนวนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ล้างจริงเพราะฉะนั้นความหมดความอยากที่จะมาสะสมกอบโกยอย่างเงี้ยมันก็มีมีไม่จริงอ่าสนึกคนนี่รู้ความรู้คนนี่รู้มีความรู้รู้ว่ามากน้อยดีอย่าไปแย่งเขาดีอินเดียมีเยอะแต่เขาก็ยังแย่งอยู่นั่นแหละส่วนคนไม่แย่งจริงๆมี อินเดียมีพวกที่เรียนรู้แล้วเขาเป็นฤาษีสะสมน้อยหรือไม่สะสมเลยน้อยกว่าชาวพุทธอีกน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอีกมักน้อยสันโดษพวกนิคร่นพวกเช่นแม้แต่นุ่งผ้าก็ยังไม่นุ่งเลยตลอดปีตลอดชาตินาเขาก็ไม่นุ่งผ้านะมักน้อยกว่าเราชาวอินเดียมีถามามาเมื่อกี้นี้เนี่ยมีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพลเมืองของเขาพันกว่าล้านแล้ว อินเดียเพราะฉะนั้นคนโลกีที่ไม่ปฏิบัติหรือว่าไม่ไปทางธรรมนั้นมีมากกว่าเฉลี่ยแล้วก็เหมือนกันอินเดียก็เหมือนกันประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยมีชาวอโศงไงไม่ไปมากๆแต่มันก็ยังเป็นประเทศที่เหมือนกันนะก็ดูแย่งชิงโลกโลกีเป็นเช่นนั้นแต่การลดเนี่ยทำให้สงบได้เพราะฉะนั้นอินเดียอยู่สงบพอสมควรเพราะอินเดียมีพวกนี้เยอะ เมืองจีนมีพลหพลหลั่งพันสารอล้านแล้วตอนนี้เขาก็กําหนดให้มีลูกได้ครอบครัวละคนเท่านั้นเองกําหนดเป็นกฎหมายเลยมีครอบครัวได้มีลูกได้หนึ่งคนแต่งงานเมื่อไรก็ลูกมีหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเขาไม่รับเป็นพลเมืองของเขาน <c oughs> ะ <c oughs> ยกเว้นแฟรเดอ อ๋อมันเป็นธรรมชาตินะบังคับไม่ได้นะมันยกเว้นแฟดอ่ามีคนให้ข้อมูลละเอียดขึ้นไปอีกว่ายกเว้นแฟดคลอดทีเดียวให้ครอดทีเดียวเมันงั้นเถอะใ ห, ใ, หให้สามารถคลอดได้ทีเดียวตอนนี้ก็ถ้าไม่เป็นคอมมิวนิสต์นี่นะยากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันจะไปทุนนิยมมันจะไปบริโภคนิยมมันจะไปเต็มรูปเลยนะพันกลาเนี่ยอโศกเลย ทีนี้อินเดียนี่ต่างกันนี่ยื่นอินเดียมาอาตมา ก, ก็เลยมาพูไปจะเทศไปเชิงนี้เลยเมื่อกี้นี่จะไปเชิงหนึง่งไปนีไปน่ไปอีกเชิงนึง่งก็ไม่เป็นไรอะไรมาต่อได้หมดอาตมาไปเรื่อยนะอันนี้ก็ดีก็เป็นความรู้นะ เมื่ออินเดียเนี่ยเขามีรัฐธิมีวิธีของการปฏิบัติทำลดละมากน้อยสะดวกของเขาได้มากเขาจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์และเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมากดข่มไม่ต้องมาอะไรเพราะเขาขม่มของส่วนตัวเขาอยู่แล้วอาตมาใช้คําว่าขม่มเพราะว่าเขามีลักษณะปฏิบัติข่มจริงๆมันไม่เหมือนพุทธพุทธนี่ก็ข่มด้วยใช้การข่มด้วยแต่ใช้การวิปัสสนาใช้การรู้ด้วยปัญญาเห็นด้วยความจริงแล้วก็ เต็มใจที่จะจนเต็มใจที่จะลดเต็มใจที่จะยังรู้รู้แล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงด้วยอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองแต่ไม่ติดกองเงินกองทองเป็นของเราไม่ได้แย่งชิงไม่ได้เอามาเป็นของเราเข้าใจใช้และใช้ให้น้อยได้จริง พยายามใช้น้อยพยายามอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุรายอย่างพวกเราเป็นเนี่ยอย่างชาวโงกเราเนี่ยคนไหนยังฟุ่มเฟือยอยู่ก็พยายามรู้ตัวสํานึกแล้วก็ลดละคนไหนที่ลดละได้ก็ลดละไปโดยไม่ได้เบียดเบียนตนมีเงื่อนไขหลักอยู่ว่าลดน้อยจริงแต่ไม่เบียดเบียนตนไม่ทําให้มันต่ํากว่าควรมีมัชฉิมาอยู่ได้สมดุลมีสัดส่วนที่พอดีอินพุตเอาพุตอะไรได้อย่างสมดุลพอควร ได้ยังไม่ขัดข้องอันนั้นเป็นหลักการสําคัญซึ่งเราก็ทําอยู่ส่วนใครที่มากไปก็ลดลงน้อยไปก็อย่าไปน้อยเป็นนักมันทรมานไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนมากนะมันมากลดยังไม่เคยลงลดลงได้น้อยไปถึงขีดมันก็จบมันเป็นที่จบ ที่จบตรงที่ว่ามันลงตัวและมันได้แล้วน้อยขนาดนี้แหละคนเรากินวันหนึ่งมื้อหนึ่งก็พอแล้วเสื้อผ้าหนาแพรสองุดสจุดแค่นี้ก็พอแล้วบ้านจ่องเรืนชาตขนาดนี้ก็พอแล้วเราได้สร้างเพิ่มสร้างให้มากขึ้นกว่าที่เรากินเราใช้อันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์สุดยอดอินเดียเองนี่มักน้อยอกฎคม แล้วก็เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเขาจึงอยู่ได้เพราะพันกัาล้านแล้วเขาก็จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่ขาแกงกันัะไม่แย่งชิงไม่อะไรตะไรกันมากมายจีนไม่เหมือนจีนนี่จะต้องเรื่องต้องสวยงามต้องฟูฟ้าต้องใหญ่ต้องโตต้องอะไรอะไรไม่มากน้อยเพราะเป็นคอมมิวนิสต์ก็กดบังคับมีหลักเกณฑ์ ต้องได้เท่านี้มีเท่านี้เอาเข้าส่วนกลางมีเท่านี้เอาเท่านี้เท่านี้นี่คอมมิวนิสต์บังคับก็ทําได้ทําได้ไม่นานสุดท้ายลัทธินี้มันล้มเหลวเพราะมันฝืนกระแสของจิตวิญญาณมนุษย์วิญญาณไม่ใช่จิตแท้มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนฝืนจิตที่มีกิเลสนั่นน่ยของมนุษย์มัน ไ, มไปไม่รอดเพราะคอมมิวนิสต์อยู่ได้มาทั่วโลกแพร่ไปเสร็จแล้วตอนนี้ถือว่าล้มละลายแล้วอยู่ได้แค่เจสบกว่าปี ได้แค่70กว่า70เท่าไรอาตมาจำตัวเลขไม่ได้แท้เจ้าเจ็ปีหรือไงนี่เริ่มต้นตั้งแต่รัสเซีย <c oughs> จนกระทั่งแพร่ไปหลายประเทศเดี๋ยวนี้ก็ประเทศที่ไม่ใหญ่เขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ก็สังคมนิยมหรือว่าอะไรแปลตอนนี้ถูกแปลงหมดแล้วแปลแปลงไปหมดแล้วจะไปดำเนินอย่างคอมมิวนิสต์รอยอ์อย่างเก่าไม่ได้แล้วก็จะแผ่อิทธิพลให้มีหมู่กลุ่มวิธีการบริหารประเทศสังคม ด้วยรัฐที่คอมมิวนิสต์ไปไม่รอดแล้ว <c oughs> ถึงกระนั้นก็ตามเขาทำกันคอมมิวนิสต์ล้มไปแล้วเราก็ยังมีวิธีคืออโศกแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าอาโศกอย่างอาโศกเนี่ยจะไปทำให้แพร่หลายออกไปเหมือนก็ยังทุนนิยม ที่มันมากมายมักมาก ม, ากมากไปสมเฉลาะสนองกิเลสรัตทิสนองกิเลส <c oughs> แข่งไม่ได้หรอก <c oughs> อโสมไม่ได้สนองกิเลสฆ่ากิเลส <c oughs> เพราะนนั้กลุ่มคนที่จะฆ่ากิเลสอย่างนี้เนี่ยจะไปแข่งกับสนองกิเลสแข่งไม่ได้ <c oughs> ไม่มีวันไม่มีวันจะแข่งได้เพราะว่ารัตทิ ถ้าเรียกลักทธิโศกหรือลัทธิอย่างที่เราเป็นเนี่ยเป็นบุญนิยมเนี่ยจะใหญ่กว่าทุนนิยมไหมตอบได้ไหมไม่มีวันใหญ่กว่าทุนนิยมนะเนี่เราก็จะไม่ใหญ่กว่าเขาด้วยแต่เราจะเป็นตามที่เราเป็นได้เพราะเราเป็นได้เราก็อยู่ได้แล้วเนั้นคนเกิดมาอยู่ในในระบบนี้ระบบบุ ญ, ญนิยมนี้ก็อยู่ไปสิอยู่ไปแล้วคุณจะตายไหม คุณก็อาศัยระบบไปอาศัยระบบนี้คุณถ้าเข้ามาอยู่นี้ได้คุณก็ได้อาศัยระบบนี้ไปหนึ่งคุณมาอาศัยระบบนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราอยู่อย่างมีประโยชน์อยู่อย่างมีคุณค่าต่อสังคมนี่คือสัจจะนะระบบทุนนิยมไม่มีค่าต่อสังคมเลยนี่ก็ยำ้ำวิธีคิดวิธีหาเงินวิธีมีชีวิตอยู่ล่าลาบยโสเถ่อนเป็นวิธีที่ไม่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาต เป็นวิธีคิดที่ล้มเหลวแล้วแต่เขายังหลงกันอยู่เขาหลงนะเป็นวิธีคิดที่หลงเขาเป็นอยู่ในทั่วโลกเนี่ยหลงมันไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเลยมีแต่เอาเปรียบขูดรีดโดยสัจจะก็เป็นวิบากนี่แต่เขาไม่รู้จากความจรงิงกันนี้เขาไม่รู้จากวิบากเขาไม่รู้จักกรรมไม่รู้จากวิบากและเขาไม่รู้จากวัตะสงสาร เขาไม่รู้ว่าชีวิตอัตภาพนีเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วก็มีกรรมมีวิบากนั้นนำพาเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนโนเวียนไปตามอานาจกรรมเขาไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษาหเหมือนพุทธแต่เขามีจริงประโยชน์เขาก็ไม่ได้เวีนเขาก็ก่อเกาะนี่เวรยนนี่ภัยให้แก่ตัวเองให้แก่โรคเป็นวิธีคิดที่ล้มละลาย เป็นวิธีคิดที่ประหานาะประหานาหนี่แปลเป็นไทยว่าจิบหายเสื่อมจิบหายจริงๆแต่เขาไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเรามาอยู่เนี่ยในวัฏสงสารไม่ใช่วัฏเรามาอยู่ในระบบบุญนิยมเนี่ยในแวดวงนีหมุนเวียน เราก็อยู่อย่างเข้าใจด้วยปัญญาว่าเออเรามาอยู่นี่เป็นคนมีคุณค่าและไม่ก่อเวร น, นี่เวรให้แก่อัตภาพให้แก่ชีวิตชาติหน้าชาติโนชาตินี้ไปไหนไหนไมันก็จะเป็นชีวิตที่ลดหนี้คุณมีจะจะกําไรอันนี้แหละคนเขาเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะว่าศาสนาเทวนิยมส่วนมากนี่สอนชาติเดียวตายเสร็จแล้วไปอยู่กับพระเจ้าทําดีเถอะ แล้วเาสอนทำดีจริงเขาก็สอนจริงสอนทำดีดีๆก็เป็นกุศลโลกิยะแต่มันซับซ้อนกุศลโลกิยะมันก็ยังมีเบียดเบียนเยอะเอาเถอะเขาเขาพยายามทำดีวันั้นเถอะแล้วเขาก็เอาดีนี่แหละให้คนทำแล้วเขาก็ว่าใครทำดีก็จะได้ตายแล้วก็จะไปอยู่กับพระเจ้าจบเขาอธิบายอยู่แค่นี้ชาติเดียวคุณก็ได้อยู่กับพระเจ้าอ ถ้าคุณทำไม่ดีคุณก็พระเจ้า ก, ก็ให้ลงนรกแค่นั้นเองเขาไม่มีการเชื่อมต่อเขาไม่มีการอธิบายเขาไม่มีวัตถะสงสารเขาไม่รู้กรรมวิบากอย่างไรเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็ทำอย่างที่าศาสนาอื่นๆสอนอย่างนั้นยิ่งฆ่าคนฆ่าสัตว์ เขาไม่รู้จักบาปเขาไม่ถือว่าเป็นมิบากบาปอะไรเลยาศาสนาพุทธไม่ละเวนนะ้นค่าสัตบับยกว่าแต่ค่าคนเลยแน่นอนที่สุดข่าคนบาปเนะี่ยเพระเาะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่สอนให้คนไปฆ่าคนและเราจะพิสูจน์จริงๆแล้วเราจะเป็นสังคมมนุษยชาติที่เป็นมนุษยชาติที่ไม่ต้องฆ่าคนเลยนี่มันจะอยู่ไม่ได้ให้มันรู้กันไปสิ อยู่มันได้โดยไม่ต้องไปฆ่าคนโดยเฉพาะไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะพูดตรงๆ ง, ง่ายๆการฆ่าชีวิตเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีศาสนาตื่นที่เขาฆ่าสัตว์แลเขาไม่รู้จักบาปบุญของการฆ่าสัตว์เนี่ย เขาก็รู้ว่ามันไม่ดีอาจจะแย่งมันก็บอกไม่ได้ล้อไม่ฆ่าได้ไงมดปลวกมันทําลายเสือสิงงูเงี้ยวมันทําพิษคุณก็อ้างไปอ่ะแล้วคุณฆ่าสัตว์พวกนั้นยี่เท่านั้นเหรอกุณที่ก็ไปฆ่าสัตว์อื่นๆฆ่าสัตว์มันไม่ทําร้ายคุณเลยงัวมันเคยทํำลายคุณเลยหมูมันไม่เคยทํำลายคุณเลยคุณฆ่ามันมากินทุกวันมันก็ชีวิต เขาก็ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แต่ก็มีหลายศาสนาเขาไม่กินเนื้อสัตว์บ้างฮินดูหรือซิกส์อะไรบนนี้เขาก็ไม่กินอะไรเขาเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์แต่ศาสนาส่วนใหญ่เลยฆ่าสัตว์เขาไม่ถือว่าบาปไม่ถือว่าบาปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเข า, ากา็ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญที่แท้จริงศีลข้อหนึ่งก็ไม่รู้จักบาปพระบุญ การขโมยรู้กันทั่วโลกเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนว่าเป็นบาปรู้กันทั่วโลกการขโมยกับการโกงเขาพอรู้การเอาเปรียบเขาเอาเปรียบนะการเอาเปรียบเนี่ยถามาจริงๆเถอะมันสุดจริตไหมนะ การเอาเปรียบก็คือการโกงโกงด้วยความฉลาดโกงด้วยความฉลาดใช้ความฉลาดโกงเขาจนเขายอมจำน้นจนเขาหลงเชื่อว่า น, นี่คุณไม่ได้คุณไม่ได้ไปทุจริตอะไรหรอกแต่คุณได้เปรียบแน่คนเสียเปรียบเขาก็รู้แต่เขาจำนนจำนนด้วยองค์ประกอบของสังคมหลักเกณฑ์สังคมความเชื่อของสังคมคือเชื่อไปอย่างนั้น่ะ ที่จริงมันก็โง่ถูกเขาเอาเปรียบแล้วแลวพวกเราเนี่ยมารู้เรียนรู้ว่าไม่ต้องเอาเปรียบเขาแม้แต่เสียเปรียบเราก็รู้แล้วก็เต็มใจจะเสียเปรียบที่ควรเสียใช่ไหมเรารู้ว่าเราเสียเปรียบเนี่ยเราเสียเปรียบที่ควรเสียเราก็เสียไปสี่แล้วก็เต็มใจที่จะเสียโดยพยายามไม่เอาเปรียบ อย่พวกเราเนี่ยรู้ว่านี่มันจะเอาเปรียบไม่เอาจะทําเพราะเรารู้ว่ากรรมกิริยาเอาเปรียบมันเลวมันไม่ดีนี่คือในยะที่พวกเราศึกษาและปฏิบัติตนอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่ไม่สร้างภัยไม่เป็นภัยกับใครแม้เอาเปรียบเรายังไม่เอานี่ไม่เป็นภัยไม่ต้องไปพูดถึงโกไม่ต้องพูดถึงเจตนาไม่ต้องพูดถึงฆ่าเนี่ยเอาหลักเกณฑ์ของศีลหนึ่งสองสามาอธิบายสู่ฟังเนี่ย มันลึกซึ้งในความเป็นชีวิตมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ฆ่าใครๆอยู่ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นก็จะรบกันก็จะแกงต้มจะระเบิดอะไรกันคุณก็สร้างบาปงคุณเพราะคุณไม่เข้าใจกรรมมาวิบาก ค, คุณก็ทำมองคุณไปอย่างนั้นแต่เราไม่ทำแล้วเราเลิกเลิกแล้วเว้นเขาจะฆ่าเราละ่ะวิ่งหนีให้สุดที่เนี่ยอตอมาแจกหลวงพ่อโกยแก่คุณหมดละ แจกแล้วน ะ, ะแจกหลงพ่กโกยหมดละมันเป็นนามมาทำหลงพ่กโกยเป็นนา ม, มาทำแจกแล้วนี้อย่าไปฆ่ากับใครอย่าไปตบตีไม่ต้องถึงฆ่าแม้แต่ตบตีทะเลาะวิวาทตบตีหยุดอาตมาภาคภูมิใจที่ชาวโศกทํางานมาอาตมาทํางานกับชาวโศกมาทั้งยี่สปีเนี่ยมาแล้วเนี่ยในหมู่กลุ่มชาวชุมชนชาวโศกสังคมชาวโศก ไม่มีเรื่องฆ่าแกงกันไม่มีเรื่องฆ่ากันเลยสักรายเดียวมีน้อยมากเลยที่ตบกันบ้างมีไม่30ปีนี่ไม่กี่รายถือว่าเปอร์เซ็นต์ของเออร์ร์นี่จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะคนทุกวันนี้มันโอ้โหกิเลสมันอดไม่ได้ทนไม่ได้หรอกมันตบมันตีภายในครอบครัวมันยังซัดกันหน้าดูเลยตบตีผัวที่เมียมีตีผัวลูกตีพ่อพ่อตีลูกแม่ตีลูกอะไรตบกันพัวกพะพวกพาแต่พวกเราไม่แล้วทั้งไม่แต่ครอบครัวแม้แต่อยู่ด้วยกันเป็นญาติทีรทำมันต้องมีเออร์เรอร์บ้างมันมี ขาดหกตกล่นมันก็มีบ้างอะน้อแต่ว่ามันน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆสากว่าปีเนี่ยค่ากันไม่มีเลยชาวอโศก30ปีเนี่ยไม่มีค่ากันแต่สังคมทุกวันนี้มันค่ากันจนกระทั่งไอ้ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันโอ้มันถ้ามันจะลงค่ากันมันไม่มีหนังสือพิมพ์มาพิมพ์หรอกมันเยอะวันแต่ละวันแต่ละวันเนีมันค่ากันสารพัดที่จะค่าด้วยกรณีนั้นกรณีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ากันสารพัด ที่มุกิมาไม่ถูกใจอะไรกันก็ฆ่ากันแล้วดีมีดีฆ่ากันด้วยความรักถึงห่วงกันอะไรกันโอ้มันแย่นะเพราะนั้นพวกเราเนี่ยได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้เป็นมนุษย์อีกชนิดหนึ่งที่โลกเขาไปอย่างน้นหนักหน้าไปเรื่อยแต่พวกเรากลับไปทางนี้พยายามภาคเพียรที่จะให้ไปเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเป็นกันเนี่ย ศีลคนหนึ่งก็จเจริญยิ่งขึ้นไม่ข่าไม่แกงกันแล้ไม่ทําร้ายทําลายกันละไม่เบียดเบียนกันศีลก็สอนก็ไม่แย่งไม่ชิงไม่เอาเปรียบเอารัดมีแต่จะเกื้อกูลเ อ, อื้อเฟื้อเจอแจกจ่ายเจอจานช่วยเหลือผู้อื่นตั้งใจจริงทําให้จริงสร้างสรรค์ให้จริงช่วยช่วยคนรวยคนจนเนี่ยอโศกจน แต่จะช่วยคนทั้งโลกโอ้โหพยองจริงๆนะจริงทำไม่ได้จะได้ไหมเนี่ยประสบมาตั้งใจมาจนและพยายามเป็นคนจนจนคืออะไรไม่สะสมแต่มีสมรรถนะไม่สร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์สร้างให้ได้ไอท้ที่สิ่งที่เป็นจสิ่งที่จาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับมนุษย์สร้าง เนี่ยเราก็สร้างอะไรต่ไรที่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ก็สร้างไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้โง่เราก็รู้ว่าสังคมใช้อะไรเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีเราก็ใช้ผลิตน่นผลิตนี่ก็ทำคุณคิดมาเถอะเราเลือกอะไรที่มันเฟอ้อเราไม่เอาอะไรที่มันดีเราก็ใช้เทคโนโลยีอันพอเหมาะเราทำไม่มีปัญหาหลายอย่างเราทาแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยซ้จเป็นน้อย แต่เราก็ทำขึ้นเพื่อพวกคุณนั่นแหละพวกคุณนั่นแหละอาศัยคุณจะได้ไม่แย่งคุณจะได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ช่วยเท่าที่เราพอมีเวลาพอมีแรง อ, อย่างนี้เป็นต้นนะพญามณฑ์แท้ศีลข้อหนึ่งศีลข้อสองนี่มันก็ลึกซึ้งนะฝึกฝนแล้วเราไม่มีการฆ่าไม่มีการทำร้ายไม่มีการเบียดเบียนศีลข้อสองเราก็ไม่แย่งไม่ชิง ไม่เอาเปรียบอารัดมีแต่จะเสียสละเกื้อกูลช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นสีก็สองสีก็สามลดลงพลโลกจะล้นโลกแล้วเรื่องราคะแย่งคู่แย่งผู้หญิงผู้ชายลดลงแม้แต่พลโลกเราก็ไม่จำเป็น<ม>จะต้องไปทไเ้ใช้วัตถุ มาป้องกันการเกิดมาลดการเกิดคุมกาเนิดเพราะเราคุมกำเนิดด้วยการคุมกำหนัดลดลดความกำหนัดลดจริงๆมีวิธีลดที่แท้จริงโดยไม่เป็นไม่เสียประสาทไม่เสียสภาพทั้งจิตทั้งกาย ลดด้วยทฤษฎีพระพุทธเจ้าลดราคาเพราะฉะนั้นในการที่จะมาแย่งคู่ข่าแกงกันพกคู่หึงหวงกันอย่างที่เขาเป็นโลกสังคมหนังสือพิมพ์มันลงเกือบทุกวันอย่างจริงเหตุเรื่องผู้หญิงผู้ชายข่าแกงกันทำร้ายกันอะไรกันแล้วแต่เขางพราเราลดลงพล เ, เมืองก็ไม่ทำให้เบียดเบียนสังคม เพราะเรารู้แล้วอะทุกวันนี้พลเมืองมันมากอัตราการเกิดมันมากกว่าการตายเพราะฉะนั้นพลโลกก็จะล้นแย่งชิงเบียดเบียนทรัพยากรของโลกก็ไม่พอกินพอใช้แล้วคนยิ่งเพิ่มมาอีกมันก็ยิ่งจะเบียดเบียนกระเบียดกัเสียงมากอีกเพราะฉะนั้นเราทำสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์โลกมันไม่ควรจะต้องมี พลโลกไม่มีดิมานความต้องการของพลโลกไม่ควรเพิ่มความต้องการของโลกควรลดพลโลกใช่ไหมมันไม่ได้ควรเพิ่มนี่คือเศรษฐศาสตร์ของเราก็ทําแล้วเศรษฐศาสตร์ของชาวอาโศกทําสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกแล้วโดยวิธีของพระพุทธเจ้ามาลดราคะลดกาม เรื่องของราคะหรือกามกาเมสุมิชาจาราเวรามณีมันไม่ได้หมายความถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นมันแย่งรูปแย่งรสแย่งกลิน่นแย่งเสียงแย่งสัมผัสแย่งกามคุณห้าด้วยเราก็มาลดเพราะฉะนั้นการแย่งชิงการกระเบียดกระเสียนการที่จะต้องทะเลาะวิวาดเพราะแย่งชิง ในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในสังคมโลกบริโภคก็น้อยลงเพราะพวกเราลดการบริโภคกามบริโภครูปสวยบริโภคเสียงไพรอบบริโภคกลิ่นหอมบริโภคกลิ่นอันหลอกล่อกันอะไรต่างๆสัมผัสกามคูนห้าพวกเราลดนี่ก็คือศีข้อสเพระาะงการแย่งชิงเบียดเบียนทะเลาะวิวาด กเบียกกเสียนในสังคมลดน้อยลงเพราะชาวโกเราเป็นผู้ที่ลดสิ่งเหล่านี้ในสีลกสามเพร่ะนเราก็ช่วยสังคมให้เกิดการแย่งชิงสิ่งเหล่านี้น้อยลงพลเมืองชาวโกบายพลเมืองชาวโกไม่ไปแย่งชิงการมาคุณห้า ก, กับชาวโลก ชาวโลกก็สะดวกขึ้นเพราะจะเพิ่มคนอย่างชาวศสได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกก็เปลียดเบียนกันน้อยลงไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือผลที่กระทบจากการประพฤติการอบรมตนการฝึกฝนตนมาในทิศทางศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็มีผลต่อโลกมีผลต่อสังคมแบบนี้ ส่วนสีนข้อสนะั้นแน่นอนโกหกที่ไหนที่ไหนมันก็เลวกันทั้งทั่วโลกเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่ามันโกหกมันไม่ดีก็ไม่ต้องไปอธิบายกันมากอย่าว่าแต่โกหกในสีนข้อสมันไม่ได้มีคำว่าโกหกอย่างเดียวคำหยาบสอเสียดสอเสียดคืออะไรสอเสียดคือพูดให้มันทะเลาะกันอาตมาก็ต้องพูดอีกหนังสือพิมพ์เนี่ย มีลักษณะส่อเสียดเยอะไปเอาความข้างนี้กับความข้างนี้มาพูดให้มันบาดกันแข่งกันขบกันอะไรอะไรกันมันก็เลยโกรธกันเคืองกันเหมือนก็ต้องซืเปินี้แหละยุแย่นี่ก็คือการส่อเสียดเขาไม่เข้าใจไปพูดแล้วเขาก็หาว่าไปว่าเขาแล้วมันจริงๆชอบจะไปเอาคำของคนนี้คำของคนนี้มาแล้วประเภทที่มันจะ มาเห็นมันเนี่ยทะเลาะ ก, กันคนนี้ว่าคนนี้แล้วนะคนนี้ว่าคนนี้แล้ ว, นนวยิงว่าแหลมเท่าไหร่ยิงโอ้โหเอามาเสนอเอามารายงานมันก็ต้องโกรธกันจิ้มกันแทงกันอยู่ ต, ตลอดเวลาอ่าตอนนี้ก็เมืองไทยดังไปทั่วโลกแล้วสววซัดกันโอ้โหโทรทัศน์มันถ่ายวันตบาเห็นเลยดูกําลังสดๆเลยนะแล้วก็เป็นต่อมาก็มารีเ ม, มรีเพลย์กันอีกโอ้โหดูกันอีกตั้งหลายเที่ยวนะ นังสือพิมพ์นี่ถ่ายเห็นทุกชอ็อตเลยนะกระทบกับปากเลยเห็นทุกกระดับเลยทุกจังหวะเลยเพราะงั้นเรื่องส่อเสียดเราก็เรียนรู้อย่าทาในพวกเรานี่ก็ต้องวรระวังเอาความไปให้พูดมันกระทบใจกันคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้คนนี้ก็ชังคนนี้คนนี้ก็โกรธคนนี้กัน มันก็เรื่องเดือดร้อนสิสังคมคำหยา ก, ก็ทําไม่ยุทําให้ขึ้นโกรธโกรธคือทําให้ดีหรอกคําหยามันก็แรงก็ไม่ควรพูดส่อเสียทําให้ทะเลาะ ก, กันก็ไม่ควรพูดแม้แต่คําเพอเจอพระพุทธเจ้าก็สอนหมดคําพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไม่พูดเลยเสียเวลาเสียน้ําลายเสียแรงงานอตมอธิบายคาําความคามําอธิบายความหมายคําว่าเพอเจอละเอียดละอออกมาจนถึงขั้นว่า แม้แต่คุณจะเทศลงกุตรธรรมเทศธรรมที่เยี่ยมยอดเลยแต่ไม่เหมาะสมกับบริษัทไม่เหมาะสมกับบุคคลไม่เหมาะสมกับการละคุณเทศไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเทศยอดเลยนะภาษาคํำแจงคุณยอดเลยแต่เขาไม่รู้เรื่องนั่นก็เพอร์เชอศูนย์เปล่าเพอร์เชอรมายความว่าพูดอะไรมันเสียเปล่าไม่ไม่เข้ายาคําพูดไม่เข้ายาไม่เข้าเรื่อง ดีไม่ดีพูดแล้วมันเลวร้ายเป็นลักษณะอื่นๆลักษณะส่อเสียลักษณะหยาบลักษณะโกหกลักษณะไม่ดีอะไรก็เราก็ไม่ทําอยู่แล้วแม้แต่พูดแล้วมันไ ม, ไม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่พูดแล้วก็มไม่มีประโยชน์อะไรเลยพูดไปแล้วก็ไม่เลยผลอะไรศูญเสียเปล่าๆอย่างนั้นก็นเป็นเพเจอร์อธิบายให้ฟังจนกระทั่ง แม้แต่คุณจะพูดสิ่งที่วิเศษปานใดแต่คนมันรับไม่ได้มันไม่รู้เรื่องพูดเสียเปล่าสูญเปล่านั่นก็อยู่ในขายของคำว่าเพอร์เชอเหมือนกันนะส่วนเมานี่ลึกซึ้งเซนก็ฮานี่ลึกซึ้ง <c oughs> อยู่ดีๆประสาทดีๆก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้ดีดันผ่าไปกินอะไรเข้าไปให้มันเมาๆมางงงงวยงยมันโง่ตายเลย ใครเคยโง่มาบ้างแล้วโง่มาเยอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็กินเหล้าเก่งไหนผู้หญิงเคยกินเหล้ามาแล้วบงังยงมือทีน่นั่นนะ <c oughs> เคยผ่านมาบางแล้วเลยโง่โงเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครเอาไม่ผ่านโง่ผ่านทั้งนั้นแหละนี่นก็ผ่านโง่มาประสาทเราดีๆก็ไปเอาธาตุอะไรก็ไม่รู้เขาไป กดประสาทเข้าไปปฏิกิริยากับประสาททำให้เรามึนงงยาบ้ายาเมายาน้ำเมาอะไรหรือแล้วแต่เสร็จแล้วก็เสียคนนะไอ้ไน่ก็รู้กันละกินน้ำเมามันตื้นตื้นต้นต้นเมาแค่นั้นเมาโลกก็ทำเมากามเมาโลกก็ทำเมาอบายามุกพวกนี้ก็เมาไป มันเมาบายมุกเมาโลกธรรมเมากามเมาอัตตาโอ้โหคนเมาอัตตาเนร้ายนะเมาอำนาจตัวเองเมาความสวยตัวเองเมาความรู้ตัวเองมันเมาได้สารพัดเห็นมแล้วมันก็เบงแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกจะเอาดังใจจะเอาอย่างกูนี่แหละเมาอัตตา เรามาเรียนรู้แล้วก็ลดลดจะไปเมาเลยอะไรที่จะมีเจ้าจะมีความรู้ก็มีไปใช่เหมาะควรบางทีบางครั้งแม้ความรู้เราใช้ไม่ได้หรอกอันนี้หยุดเถอะเก็บความรู้เราเถอะใช้ไปก็ไม่ได้เขาไม่เอาอเก็บเขาไม่เอาก็ไม่ต้องไปดันทุรังไม่ต้องไปยัดเยียดเอาแค่นี้เราก็ต้องเรียนรู้นี้วเราก็ ม, มีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละเพราะงั้นคนที่จะรับสิ่งที่ดีเรามีเงินเราให้เงินเรามีแรงงานมีความสามารถเราให้ความสามารถเรามีความรู้ให้ความรู้เรามีแล้วเขาไม่เอาให้เขาก็ไม่เอาก็ไม่ต้องให้ก็เรามีเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราพึ่งตนเรามีแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนใครแต่เราจะให้ด้วยใครเขาต้องการและเป็นประโยชน์เราก็ให้ไป อยู่ในโลกจึงเป็นคนมีประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตอย่าขาดทุนชีวิตเราไม่ขาดทุนคือเราต้องมีพลังงานเราต้องมีสมรรถนะเราต้องทำงานเราต้องมีกรรมมันตะเราต้องกระทำกายกรรมวจิ ก, กรรมมโนกรรมของเราต้องกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างน้อยก็คุ้มกินคุ้มชัยของตัวเราแต่ละวันแต่ละวัน มีเกินมีเหลือเผื่อไว้จะได้ไม่เป็นหนี้แต่ก็ไม่ต้องสะสมหรอกเพราะโดยสัจจะมันก็สัพพัมันก็หมุนเวียนอยู่ในนี้เป็นประโยชน์แก่กันและกันไปคิดถึงคุณธรรมไปคิดถึงวิบากไปคิดถึงกรรมไปคิดถึงสิ่งสัพพัฒโดยรำรอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ย คนนี้ทําอันนี้ก็เกือกคูณสะพัดไปมันก็เป็นเหมือนจะทํางปอกว่าในโลกไปคิดอย่างโลกทุนนิยมเขาก็จดไว้นี่ของฉันทําไว้ได้ร้อยหนึ่งนะฉันกินแค่200นี่เหลืออีกต้อง800นี่นะคุณก็เอาไปกินก็ไปใช่คุณก็ต้องจดบัญชีไว้หรือเอาเงินทอนมาทอนมา800เพราะคุณฉันกินแค่ทําทําต้องพันหนึ่งฉันกินแค่200เหลือนี่คุณก็คุณก็เอาไปกินไปใช้คุณก็ต้องเอามาจดบัญชีไว้หรือทอนมาฉันเก็บไว้ก็เป็นวิธีแรกเปลี่ยนในโลก มันเป็นรูปธรรมแต่โดยสัจจะมันก็จริงไม่ต้องไปจดบัญชีไม่ต้องมาคิดทอนไม่ต้องมานั่งอะไรเนี่มันก็เป็นสัจจะที่เราทําเกินแล้วก็ทําเผื่อไว้มันก็เป็นปิบากกรรมมันก็เป็นมันก็เป็นกรร ม, มวีบากเป็นสัจจะที่เราสร้างสรรค์อยู่แล้วโดยไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งคิดให้มันปวดกระบาลอะไรนี่เพราะสัจจะนี้คุณเชื่อไหมเร า, าจริงเออ ขอให้จริงเถอว่าคุณเองนี่แหทำเลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่ทางานนั้แอบแฝงกินแรงคนอื่นอะไรอะไรมันก็เป็นหนี้ของคุณเองจริงๆอ่ะเอาแต่นอนหมกนอนหมักครุครุวเล่นผลาญด้วยทำลายมากกว่าสร้างด้วยแล้วก็อยู่กับหมูกก่กับฝูงนี่มันก็เป็นหนี้คุณก็เป็นหนี้เองโดยสัจธรรมใช่ไหม พระน้องมาเรียนรู้สัจจานีิจะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับการสอนโดยทฤษฎีของพระเจ้าโดยสัจจคของพระพุทธเจ้าอาตมาเอามาพูดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าหรือใครไม่เชื่อเป็นของอาตมา ก, ก็เอานะใครเชื่อว่าอันนี้เป็นของอาตมาไม่ใช่ของพระพเจ้าหรอมา ก, ก็ยอมรับเอาแต่อาตมาไม่กล้าพูดเช่นนั้นเพราะมันไม่ใช่ของอาตมามันของพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก่อนแล้วอาตมาเรียนตามท่านแล้วก็ได้มาก็เอามาเปิดเผยมา สอนพวกคุณแนะนำพวกคุณต่อคุณเห็นดีคุณก็เอาเอาไหมล่ะเ อ, เอาก็เอาเอาให้ได้นะใช่ไหมเนี่ยเพราะนะเรารู้ว่าชีวิตเกิดมาในเกิดมาทําไมเกิดมาเอาอะไรรู้ยังคนในโลกเห็นไหมล่ะ ว, ว่าโอ้โหยักอวิชาพูดเพาะๆหน่อย เห็นไหมยังเอาวิชาอยู่เต็มไม่หมดเลยแล้วอย่าเหลิองอย่าหลงตัวอย่าไปเบ่งว่าเรารู้แล้วเราก็เราก็ใจก็ดีแล้วทําให้มันสอดคลองทําให้จริงคนเขาไม่รู้เอาวิชาอยู่ทั่วโลกเลยหลงมาล่าหลามลายศเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็วิธีคิดไม่เป็นคนมีประโยชน์อะไรเลยในโลกแนวคิดทุนนิยมโลกีไม่เป็นประโยชน์จริงๆมีได้เป็นหนี้พรานผราเบียดเบียน ไม่ไอ้ฉันมีเงินรายได้เดือนละล้านห้าเดือนละสองล้านแน่ <c oughs> ถ้าอาจมาไปมีรายได้เดือนล้านสองล้านยังงบ้างโอ้โหทำไมอาจจะม า, มากลัวนะอาจมากลัวแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอามามันก็จะไปอะไรแล้วจะกินจะอยู่จะใช้และยิ่งเรามาเรียนรู้เราลดละและเราก็กินรูปลดกินเสียงสัมผัสจะอร่อยจะกินจะใช้ ก็พอแล้วะมีสันโดดอาตมาว่าอาตม า, าแต่งตัวหล่อแล้วทุกวันเนี้ยเสื้อผ้าหน้าแพรขนาดนี้ก็หล่อจะปะจะชุนหน่อยเขาก็ไม่ยอมเท่าไหร่เลยฮ ะ, ะ, ะทุกอย่างใน ส, งสังขานขันนี่ก็พอแล้วั น, นสันโดดมันพอจริงจงไม่ใช่แกล้งพูดกินทุกวันนี้ก็อุดมสมบูรณ์เลือเฝือกินดี คนเขาพยายามปรุงไม่กินดีทั้งนั้น น, น่ะดีจนบางอย่างว่าเนีมันมากไปมันไปหวานไปอุย้ยไม่ไหวอะ่ะจริงออจริงจงชีวิตมันเกินพอแล้วคุณรู้ตัวเองให้ได้ว่าเราเองเราเออเรากินนี่เรายังมากไปไหมเราลดได้อีกไหมนี่มันมากไปปรุงมากไปปริมาณมากไป คุณภาพแม้ต้องยังง่วนต้องอยางงี้มันมากไปไหมทามันจะแค่นี้ง่ายๆสะอาดสะอาดธรรมชาติธรรมชาติรราตบริสุทธิ์อย่างงี้มันก็เบาก็ดีสังขารร่างกายก็ดีด้วยนะของธรรมชาติกินสดกินไม่ต้องปรุงต้องแต่งอะไรมากอย่างงี้เป็นต้นมานังพลังวิปากโกจริงไหมเข้าใจไหมลา น, า, น า, านิติวานสุกตะทุกตะนางกมานังพลังวิปากโกเนี่ย รู <unlucky. S 2> ้เรื่องไหมล่ะดูเรื่องบางมีแต่ไม่รู้เรื่องคงเยอะคือกรรมของเราเนี่ยสุกตะกรรมที่ทําสุกตะทุกตะนังกรรมมานังกรรมมานังคือคือกรรมการกระทําของเรานี่แหละดีก็ตามชั่วก็ตามสุกตะทุกตะสุดีทุชั่วจะดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นผลเป็นวิบาก กรรมนังพลังก็คือผลวิปาโก ο, วิปากะวิบากสุกตะทุกตานังกรรมนังพลังวิปากโกมันเป็นวิบากแท่มันเป็นจริงมันอัติอัติสุกตะทุกตานังกรรมนังพลังวิปาโกพระพุทธเจ้าสอน ถ้านัตถิไม่มีไม่มีรกกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเราทําไปกับอยงนั้นเป็นพวกนีัตติกาทิฐิหรือเป็นพวกอกริยาทิฐิไม่มีรักชั่วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีไอ้พวกนี้เข้าใจอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันจริงมันมีใครที่เข้าใจว่าไม่มีนนัตถิไม่มีนะเป็นพวกมิจฉาทิฐิพราที่เข้าใจว่ามีแล้วเชื่อแล้วเข้าใจแล้วมีปัญญาแล้วรู้แล้วมันมีจริงๆแล้วเราก็สําคัญในกรรม เราก็สําคัญใกนการเพราะงั้นกรรมแต่ละวันแต่ละวั น, วนการการทำแต่ละวันแต่ละวันของเราก็ทําก็สร้างก็สรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนงอมืองอเท้าขี้เกียจขี้คร้านไม่เคยสอนแล้วก็สอนให้ขยนันขยนันแล้วก็ไม่ต้องสะสมขยนันแล้วไม่ต้องเอาเปรียบเอารัดขยนันแล้วก็เกื้อกูณกันไปนี่คือเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์ที่เยี่ยมยอดของโลกคนมาทําอย่างนี้แหละเศรษฐกิจมากอบ เศรษฐกิจกอบกู้เศรษฐกิจให้แก่โลกอย่างนี้แหละคนจํานวนเท่านี้ก็ช่วยโลกไว้เท่านี้ถ้ายิ่งชาวโสมีมากกว่านี้ขึ้นไปอีกดําเนินวิธีการเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอย่างนี้ไปอีกเราช่วยโลกไปได้มากกว่านี้เราจะไม่ทําแบบบุชเราจะไม่ทําแบบแบร์เราจะไม่ทําแบบแม่แต่ผู้บริหารอยู่ในซาอุดในโลกขณะนี้นี่คุณรู้ไหมว่า โลกค่ายไหนที่รวยที่สุดค่ายอิสลามบรูไนตะวันออกกลางรวยที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศัตรธรรมอันหนึ่งนะเขาพยายามจะรวยขณะนี้ว่าบิลเกตรวยมีไรายได้มากก็เป็นคนคนเดียวอะอยู่ในอเมริกาจะบอกว่าอเมริการวยคุณรู้ไหมว่าอเมริกาขณะนี้เนี่ย หน้าใหญ่แต่ในโบเพราะฉะนั้นอะอเมริกาจึงดิน้นนิสัยของอเมริกาคือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหน้าใหญ่ใจโตกินดีอยู่ดีนี่คือนิสัยของอเมริกาสรุปแล้วคือเขาจมไม่ลงนิสัยนี้นะจะทุกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องพยายามดิน้น เอาเปรียบเอารัฐทั้งโลกเบงเขาทำได้แต่ไม่ใช่เจริญทำได้ไม่ใช่ดีไม่ดีแต่เขาไม่รู้เขาก็ทำเขาก็ทำทำไปเถอะเราไม่ได้ริษยาคนที่ทำไม่ดีหรอกไม่อยากไปเอาอย่าง <c oughs> มันพอดิจมไม่ลงหน้าใหญ่ใจโตกินใช้ฟุ่มเฟือยหรูหรา มันก็ผลานน่ะสรุปง่ายๆใช่ไหมฟังเข้าใจใช่ไมมันก็ผลานเพราะฉะนั้นเขาจะขยันของเขาเองเขาก็ผลานเขาเองจนกระทั่งเขาขยันไม่พอที่เขาจะมีผลานเพราะเขาขยันแล้วมันก็ยังไม่พอเขาจึงต้องเบียดเบียนชาวโลกต้องดูดออกับชาวโลกหาวิธีที่จะเอาเปรียบชาวโลกแล้วมันดีไหมล่ะกรรมวิธีนี้ กรรมอย่างนี้เนะี่ยมันดีไหมล่ะอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนกระทบตนกระทบท่านแต่ที่พูดนี่ให้พวกเราฟังให้รู้จักสัจจะลักษณะที่ทำอยู่เนี่ยคนทั้งโลกเขานิยมชมชื่นพูดก็พูดถึงแม้แต่ในประเทศไทยคนในประเทศไทยนักบริหารประเทศไทยก็ยังนิยมสไตล์อเมริกัน วิธีการที่จะบริหารประเทศวิธีการที่จะกระทำอำนาจบาตใหญ่ความก้าวหน้าความเจริญจะทําในสไตล์ของอเมริกันอยู่ซึ่งอาตมาว่าไม่น่าเอาอย่างเลยเอาอย่างอินเดียยังดีกว่าแต่เขาดูแล้วว่าโอ้อินเดียขอทานเยอะคนจนเยอะมันเป็นความซับซ้อนบอกแล้วอินเดีย แม้จะจนเขาพันล้านเขาก็ไม่วุ่นวายเหมือนกับที่อื่นถ้าอเมริกันพลเมืองของอเมริกันถึงพันล้านเมื่อไหร่นะ่รับรองบรรลัยเพนิสัยอย่างอเมริกันพันล้านไม่ได้หรอกมันอิสระเสรีภาพมันเอาแต่ใจมันเอามีความคิดของกูของคิดของกูขนาดนี้มันจะทะเลาะกันขนาดนี้เลยคนอเมริกันไม่เหมือนอินเดียหรอกพันล้านเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้น อเมริกันตอนนี้300รอล้านประมาณนั้นพันล้านเมื่อไรมันไล่มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจมันขึ้นอยู่กับความรู้เขาไม่รู้เขารู้อย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นนะมันทำอย่างนั้นแล้วเ้าก็จะเดือดร้อนอย่างนั้นมากขึ้นเ ข, า, เขาจะแย่เมืองไทยหกสิบกว่าล้านถ้าประชาชนคนไทยมีบุญนิยม สร้างสภาพบุญนิยมนี้ในเมืองไทยนี้ให้ได้มาๆมากขึ้นไปเปอร์เซนต์ของอย่างบุญนิยมนี้มากขึ้นมากขึ้นประเทศไทยมีพลโลลกมีพเมืองมันจะไปถึงร้อยล้านมันก็ยังดีเพราะมีคนชนิดนี้ทำเศรษฐกิจอย่างนี้และจิตวิญญาณอย่างนี้จิตวิญญาณของคนโลคีนั่นนะเป็นภัยต่อคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันโลก คนมีความโลภเป็นภัยกับคนอื่นเพราะมันมีความโกรธคนโกรธเป็นภัยต่อคนอื่นนะคนหลงก็เป็นภัยต่อคนอื่นก็คือคนบ้าในคนหลงสรุปง่ายๆแล้วคนหลงมันเป็นภัยหลบทันก็ทันไม่ทันมันเอาตายมันทำโดยมันไม่รู้มันเมามันโมหะมันไม่รู้เรื่องมันทำมันนึกว่าถูกมันนึกว่าดีคนบ้านะจริงใจเหมือนกันนะแต่มันถูกกิเลสครอบงามันก็เป็นโมหะ แล้วมันก็ทาอย่างหลงๆเราหนี้ได้ก็ตรงนี้ตรงหลีตรงเว้นไม่ทำเปะนไงกฎหมายยังละเว้นคนบ้าเลยแม่คนที่ฆ่าลูกนี่คงก็ไม่ถูกจับหรอกแม่ที่มันเชือดคอลูกี่ข่าวเพิ่งออกเนี่ยไม่ถูกจับหรอก่าคงจะหลุดสารก็คงปล่อยเพราะมันบ้ามันบ้าจิตมันวิปริตแล้ว ก็คือโมหะนั่นเองเพราะยะเป็นภัยต่อโลกคนมีโลภเป็นภัยคนมีโกรธเป็นภัยคนมีโมหะเป็นภัยนี่เรื่องจริงเลยพราะฉะนั้นเรามาสร้างมนุษย์ให้ลดโลภโกรธลงนี่คือคนสร้างคนที่ไม่เป็นภัยให้แก่มนุษย์โลกฟังขึ้นไหมจริงไหม จริงที่สุดจริงที่สุดทำให้ได้แล้วกันนะเพราะในวิธีการที่จะปฏิบัติก็ศึกษาไปนะพวกเราก็เรียนรู้วิธีการมันจะลึกซึ้งมันจะแนบเนียนมันจะเข้าท่ามากขึ้นแล้วก็จะได้ผลมากขึ้น แม้แต่สมณพวกเราก็อาจาบาก็ยังเทศยังอบรมยังแถมเติมวิธีการความรู้ให้เพิ่มเติมพวกเราก็ฟังมันฟังทรมั น, มนฟังทมฟังเทศเราก็พยายามที่จะเดี๋ยวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือ อ, อุปกรณ์เทคนโนโลยีมันดีเพราะฉะนั้นคำเทศแต่คำบรรยายอะไรต่งตางๆนานาก็บันทึกสะดวกขึ้นก็อย่าปล่อยปละละเลย ค้นวายศึกษาฝึกฝนเกิดมาเป็นคนจะ ก, กี่ชาติกี่ชาติกับพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าคุณเองไม่ศึกษาโลกุตระคุณก็วนเวียนอยู่ในโลกียะอย่างนี้ไปอีกนานับชาติ <c oughs> ใช้นี่บาปนี่กรรมชาตินี้เกิดมามีกุศลบ้างกับยังดีไม่มีกุศลอกุศลมันออกฤิธ อกุศลวิบากออกฤทิ์คุณก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรหรือว่ามันไม่เป็นคนก็ทุกทรมานไปแล้วนี่บาปนี่เวรมันมีน้อยถิ่นไหนละแต่ละคนเกิดมาด้วยอวิชชาคนเรามาเกิดมาด้วยอวิชชามันก็ต้องสร้างวิบากบาปมันเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันตามใช้นี่กันถ้าคุนไม่รู้นี่นะคุณก็หมุนเวียนไปกับวิบากที่มันจะออกมาทํางานอัตมาบอกเลยคนเรามาเกิดแต่ละชาติเนี่ยมันจะมีวิบากมาชุดหนึ่ง ยอดตัดมาเอาไปใช้เท่านี้บางชาติหนึ่งในคุณเอาวิบากชุดหนึ่งมาใช้เท่านั้นเองอย่านึกว่าวิบากที่คุณมีอีกมหาศาลเนี่ยมันงมีทั้งชั่วทั้งดีมีทั้งบาป ท, ทั้งบุญอีกเยอะพอตายที่หนึ่งก็ไปรวมกับวิบากเก่าของคุณแล้วก็สังเคราะห์กันอาตมาก็บอกไม่ได้อจินไตยอันนี้พูดไม่ได้สังเคราะห์กันแล้วก็บอกลบคุณหา ชาติหน้าคุณก็ออกมาเกิดอีกชุดหนึ่งแล้วยังไม่รู้ว่าฤทธิ์ของไงอ้วิบากบาววิบากบุญอันไหนมันจะแรงมันจะมากมันจะตัดส่วนออกมาแล้วอตอนนี้ไปเกิดเป็นหมาก่อนชาตินี้ชาตินี้ไปเกิดเป็นควายก่อนชาตินี้ไปเกิดเป็นเศรษฐีได้นะบางชาติแล้วเศรษฐีต้องทุกข์ด้วยอย่านึกว่าบางทีไปเศรษฐีแล้วนี่มีสุขนะมารับวิบากเกิดเป็นเศรษฐีทุกข์ก็ต้องเกิดเกิดมาเป็นคนสวย อวิบากบาปจะบคุณสวยนะคืออาินตยของกรรมนี่มันอธิบายไม่ได้เลยคุณฟังดูเถอะสวยแต่โอ้โหทรมานทั้งชาติเลยปู่ยี่ปู่ย้ำอะไรก็ใหม่รู้เกิดมาสวยเ ง, งี้ยและคุณอยากเป็นไม่เล่าอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ไหวนะคุณฟังดูก็จะรู้ก็จะเข้าใจ เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาจะวนเวียนไปด้วยในวัตสาสงสารอย่างนี้เกิดมาแต่ละชุดแต่ละชุดวิบากที่ก็มาเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติแ ต, ลต่แตละชาติมันก็จะเป็นไปเพราะหลักประกันก็คือคุอคณหยุดอกุศลโลกีก็หยุดนะโลกุตระให้มันได้เป็นหลักประกันหนึ่งคุณหยุดอกุศลโลกีวิบากบาปมันก็น้อยลงน้อยลงวิบากบุญมันก็ยังดีเกิดมาอีกยังงนอย่างนี้มันก็ยังดีเกิดมาสวย แล้วก็ยังมีวิบากบุญทางโล ก, กุตระด้วยก็ไม่เป็นไรก็ยังดีใช่ั้ยนี่เกิดมาสวยแต่วิบากบาปวิบากไอ้อะไรก็ไม่รู้ต้องมาใช้ว้ามันก็ยิ่งแย่ใช่ั้มมันไม่ดีไม่ดีไม่เข้าทางอย่างนี้เพราะงะั้นหลักประกันก็คือกรรมสั่งสมกรรมที่เป็นกุศลโดยเฉพาะโลกุตระกุศลน่แข็งแรงเที่ยงแท้มั่นคงกว่าโลกียะ พระโลกียนะนั้นมันคุมด้วยอวิชชาด้วยความโ ง, ง่ความหลงความมัวเมามันไม่เข้าท่ามันไม่มีทิษแรงหรอกไม่มีอํานาจไม่มีพลังพลังจริงๆมันต้องพลังวิมุตติพรจะเจ้าตรัสไว้แล้ววิมุตตินี่คือพลังเป็นตัวแสดงเป็นตัวยืนยันเพราะนั้นเอาพลังวิมุตตินี่แข็งแรงเที่ยงแท้พลังโลกีมันไม่ไม่ไม่ไหวหรอกหลักประกันต้องเอาวิมุตติเป็นหลักแต่ก็ไม่ปฏิเสธกุศลโลกี ถ้าคุณมีกุศลโล ก, กีด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่มันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแต่หลักประกันที่แท้คือโลกุตระแข็งแรงและก็ป้องกันได้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสั่งสมให้แก่ตนเองถ้าเกิดมาเป็นชีวิตนี่เป็นคนมีชละมีความฉลาดมีบุญดีได้มาฟังสัจ ธ, ธรรมมาฟังสัธรรมคนที่ไม่ได้ฟังนี่อีก ในในโลกนี้หก0 0นล้านแล้วอีกกี่พันล้านไม่ได้ฟังเทศอันนี้ไม่ได้ฟังความรู้อันนี้เขาฟังในความรู้ของพวกโล ก, กี้ด็อกเตอร์ทั้งหลายแล่โปรเฟสเซอร์ทั้งหลายแหล่ฟังกันเสร็จแล้วก็ฟังสอนกันไปเพื่อที่จะเอาไปล่า ก, กันเป็นเพจเบียนกันทําลายกันอยู่งั้นนะจริงมีคนสอนเพื่อไม่ให้ทําลายกันอยู่บ้างเราก็ไม่ได้หมายความว่าดีอยู่คนเดียวหรอก แต่ส่วนใหญ่มันสอนให้ไปขากันแรงอะไรแต่อะไรอยู่เยอะด้วยความหลงด้วยอาวิชาด้วยความไม่เข้าใจศัจธรรมมันนอบุญดีที่ได้มาได้ฟังศัต ธ, ธรรมก็เอาไปทําทําแล้วเป็นหลักประกันกรรมใครกรรมมันใครสร้างได้ใครทําได้อันนั้นก็เป็นกรรมพันธุเป็นเผ่าพันธุของเราเองทําได้ถึงขั้นถึงขีดแล้วสัมปทาให้เข้าถึงให้ได้ เข้าถึงพร้อมเมื่อเป็นของเราเองแล้วเรียบร้อยมันก็เป็นปัจจตตังเป็นสยะสยังของตนเองสยังถ้าเปยิ่งเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอภิญยาเป็นความรู้ในระดับธรรมะเป็นสยังอภิญยาเป็นของตนเป็นความรู้ที่เป็นวิชาลุอภิญยา ภิญญาหรือวิชาก็เหมือนกันเป็นความรู้ยิ่งสุดยอดทำได้ก็วิเศษนะเอาละอาตมาก็ได้เทศนามาพอสมควรแก่เวลานะก่อนจะจบก็มีคนนักกรอ น, นอนเปล่าก็เศร้าใจนะก็ไม่นอนเปล่าก็เขียนมาให้อาตม า, อ, าอ่านให้ฟังบ่อยก็ดีนะก็เขียนเก่งด้วยนะเขียนดี คนเขียนนี่ก็เป็นชาวโศกที่ตาบอดาตาบอดไปหลายปีแล้วแต่ก็เขียนกรอนเก่งเขียนทั้งๆ ท, ท, ที่ตาบอดนี่แหละมาใ ห, ให้คนตาดีอ่านอา้าวจะอ่านสูฟังสดับธรรมสนอแท้ชื่อกลอนบทนี้เมื่อสดับทรมสนอถ้อยรู้ร้อยเรียง สื่อสำเนียงเสียงสวรรค์ขันอาสาข้ามโอคัดสงสารผ่านมันคาด้วยคารมคมกล้าล้วนทาทายเลือดจะท่วมทองช้างอย่างตำนานคือคำขานควรไขให้ความหมายผู้คนล้นสังคม จะล้มตายสงครามร้ายโรครุมดังสมไฟประเทศใดใจต่ำระยำยับใช้วาจาสับปลับรับไม่ไหวเป็นนักบุญใจบาปดาบเชื่อดใจสอสันดานผ่านไพรไรยางอาย มาโอบเอื้อเกื้อหนุนบุญนิยมมอบสุขคืนสังคมสมคำไขสร้างร่มศีลิทินธรรมลำวิไลให้โลกได้ชื่นชมสังคมบุญ